หมอกมาหอมกลิ่นมา ดอกได้สวยสดชื่นใจได้ชื่นชมคายเก็บเสียพอ ทัวไปหาได้แน่กลับกลายเปลี่ยนแปลทุกวันไปดอกไม้ยังโรยเทียวโหยโรยไปเราทิ้งทันใดหล่นอยู่ มาเม็ดเปรียบมาลายก็เช่นกันมีแต่แปรผันกลายสินนิจจะเปลี่ยนแปลเดียวเจ็บและแก่ทันแปรอาจินร่างกายฟังดี เกิดมาแม่เปรียบมาลาโก